หรือเพราะตอนที่พูดถึงความทุกข์นะชาติปีทุกขาแม่ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีทุกขาแม่ความแก่ก็เป็นทุกขนะ์ไล่มาจนถึงวัตถุยะอุปทานคันต่างหาเป็นตัวทุกข์แค่นี้แหละนะท่านก็ใช้เป็นเป็นแนวทางในการทำนายถ่ายทักเข้าได้เพราะว่าคนที่มาหาท่านนะก็ล้วนแต่มีความทุกข์ และความทุกข์ของเขามก็หนีไม่พ้ น, นที่ผู้เจริญตรัดมาความทุกข์สิบสองอาการ <นะ S 1> เกิดแล้วก็แก่ตายความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจ ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์พัดพาจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เท่านี้แหละนะความทุกข์คนลำหนีไม่พ้ น, นความทุกข์สิบสองอาการท่านเวลาญาติโยมมาหาเนี่ยสีหน้าก็บ่งบอกถึงความทุกข์คุยไปคุยมาเดี๋ยวก็รู้ละพอเดาได้แล้วว่าทุกข์ เรื่องอะไรเพราะประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักหรือพัดพาจากสิ่งที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นแต่บางคนเวลาทุกเนี่ยไม่รู้นะว่าทุกเพราะอะไรหรืออะไรเป็นเหตุให้ทุกนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าเราลองเอ า, อาพุทธพจน์นี้นะมาใช้ในการส่องดูตัวเองนะก็จะช่วยได้มาก หรือว่าจะเอาไปใช้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นก็ได้ไม่ต้องนั่งทางในเป็นนะไม่ต้องอมีอำนาจพิเศษทางจิตก็ได้ก็สามารถที่จะเดาได้ว่าทุกข์เพราะอะไรทุกสิบสองอาการนี่นะถ้าพิจารณาให้ดีมันได้ได้แง่คิดมากทีเดียวไม่ใช่เพียงแค่ช่วย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 ผู้เจ้าขโมวดไว้ว่าวาโดยอุปทานขันธ์นั้นเป็นตัวทุกข์เนี่ยก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขร์วิญญาณเนี่ยอันนี้มันเป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วนะก่อนหน้านั้นเป็นทุกข์ของคนที่ยังสําคัญบรรหมายมีตัวมีตนเป็นสัตว์บุคคลนะเป็นเรื่องของคนที่ยังมีเป็นเรื่องของการที่ยังมีความสําคัญว่าเป็นคนนะ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 รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันไปพ้นจากเรื่องสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามันเป็นเรื่องสภาวะล้วนๆรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือผู้ง่าคือคือรูปกับนามกายกระใจนั่นเองแลที่เป็นตัวทุกข์นี่มันไม่จำเป็นต้องเป็นอุปทานขันก็ได้นะขันเฉยๆก็เป็นตัวทุกข์นะ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 มันตั้งอยู่ไม่ได้นานจะเป็นอุปท า, านขันหรือว่าขันเฉยๆก็ตามก็รว้แต่เป็นตัวทุกข์ทั้งสิ้นเป็นแต่ว่าอุปท า, านขันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวทุกข์เฉยๆนะมันยังทำให้คนที่ไปยึดมันเนี่ยเป็นทุกข์ด้วย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 แบกไว้เมืม่อไหร่นี้ก็หนักเลยนะเหนื่อยเมื่อยล้าถ้าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมปล่อยด้วยก็แบกเอาไว้อย่างนั้นแหละมันก็เลยยิ่งทุกข์ก็ไปใหญ่นั่นที่ท่านใช้คาว่าว่าดัยวยอุปท า, านขนาันธ์เป็นตัวทุกข์เนี่ยมันไม่ได้หมายความเพียงแค่ว่ามันเป็นทุกข์ตามสภาพของมันแต่ว่ามันยังทาให้คนที่ยึด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 แต่พอไปมีความยึดมั่นถือมั่นในในขันทั้งห้านะโดยเฉพาะในร่างกายนี้นะพอแก่ก็ไม่ใช่แค่ทุกกายเดียวมันทุกใจด้วยพอตายก็ไม่ใช่แค่ทุกกายเดียวทุกใจด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องเกิดความโศกความร่ำไรลำพันธ์นะความไม่สบายกายนี่ก็เป็นความเจ็บป่วยความโศกความร่ำไรลาพันธ์ ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจตามมาแล้วพรามีความยึดมั่นถือมั่นในขันทั้ง5้า น, นี่แหละเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเมื่อประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์เมื่อพลาดพลาดจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์นะอันนี้คือทุกข์ใจแล้วนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นทุกข์ทุกเนี่ย น, นี่เป็นเป็นทุกข์ตามสภาวะ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 ว่าเข้าทำเสือนี่มันมันคือความเสี่ยงถ้าไม่ไม่กล้าที่จะเสี่ยงนะก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ของดีครูบาอาจารย์หลายท่านท่านก็พูดไว้นะถ้าอยากทนทุกก็ต้องกล้าเจอทุกข์ท่านหนีทุกข์ก็ไม่มีทางได้ได้รู้เท่าจากทุกข์การทําความเข้าใจเรื่องทุกข์นี่สําคัญ เออ จ, าจา่าจึงจัดพูดถึงความทุกข์ไม่มากหลายคนก็ไม่เข้าใจนะไปมองพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาของอทุกนิยมนะคือมองโลกในแง่ร้ายแล้วก็พูดแต่เรื่องทุกทุกนะที่ท่านพูดถึงทุกเนี่ยที่จริงเนี่ยเพื่อให้เราได้เห็นหนทางสู่ความสุขและความสุขที่ประเสริฐความสุขแบบลกโลกนะ พุทธศาสนานี่ไม่ได้ชื่นชมยินดีในความทุกข์นะแล้วก็รังเกียจความสุขในทางตรงเป็นตรงกันข้ามได้ซ้ำนนะพระเจ้าเคยตรัสถึงท่าทีต่อทุกข์และสุขไว้เนี่ยมีสี่ประการอันนี้ก็สำคัญนะแต่ว่าไม่ค่อยได้มีคนพูดถึงเท่าไหร่ข้อแรกคือท่านบอกว่าอย่าเอาทุกข์มาท่วมทับหรือทับถมตนหรือเพื่อคืออย่าเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเอง สลำพังร่างกายสังขารที่ก็เป็นทุกข์อยู่แล้วนะ <c oughs> คือปวดคือเมื่อยนะตะลอดเวลาก็ต้องหาทางแก้ทุกข์อยู่ตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ทุกข์นะไอการหายใจออกเนี่ยก็เป็นการการคลายความทุกข์หายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ทุกข์นะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องหายใจออกหายใจออกเฉยเฉยเฉยเยมันก็ทุกข์นกั ก, นก็ต้องหายใจเข้า การที่เรา ค, ยคอยันขยับไปมานี่ก็เพื่อหนีทุกขนะ์เพื่อที่จะคลายจากความทุกขนะ์ลำพังร่างกายเนี้ยนะมันก็เต็มไปได้วยทุกข์อยู่แล้วนะทุกข์ก็ต้องมีการขับถ่ายนะต้องมีการเปลี่ยนนิเรศบทเพราะฉะนั้นอย่าไปเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองบางคนปวดเมื่อยแล้วไม่พอนะการที่จะป่วยเมื่อยปวดเมื่อยแค่กายก็ใจก็ปวดเมื่อยตามไปด้วย เมื่อแต่ก็ตามที่ใจเราปวดเมื่อยนะหรือเป็นทุกข์ไปกับความปวดความเมื่อยของกายนี่แสดงว่าเรากําลังเพิ่มทุกข์ให้แก่ตัวเองแล้วนะเวลาของหายนี่มันก็ทุกข์พอแรงอยู่แล้วนะถ้าไปเสียใจครับแค้นใจนี่ก็เท่ากับ ว, ว่ากําลังซ้ําเติมตัวเองกํากลังเพิ่มความทุกข์ให้แก่ตัวเองอันนี้ไม่ใช่ท่าทีที่ถูกต้องนะของชาวพุทธจะต้องไม่เพิ่มความทุกข์ให้แก่ให้กับตัวเอง แต่บางคนนี่อย่าว่าแต่ความทุกข์ใจเลยนะความทุกข์กายก็ยังซ้ําเติมไปในการที่ไปกินอาหารไม่ถูกต้องด้วยความด้วยกิเลสกินมากๆจนกระทั่งร่างกายมันไม่ไหวมันอุดทรล้องบนหรือว่าไปกินเหล้าสุบหรี่ไอ้พวกนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองนะอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่สนับสนุน นที่พระเจ้าไม่ไม่ละทิ้งการทรมานทรมานตนอาากกัตตกิลมถานุโยเนี่ยแล้วก็ปฏิเสธอันนี้ก็เพราะเห็นว่าเป็นการสร้างความทุกข์มาทับถมตนบางคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยแล้วทำไมพระเจ้ า, าให้ฉันมือเดียวนะหรือว่าทำไมพระเจ้าแนะนำให้ไม่นอนให้ใ ห, ให้นั่งภาวนาหรือว่าเดิน ยืนแต่ไม่มีอเรียบทนอนอันนี้ต้องถือวเป็นเรื่องการฝึกนะการฝึกเนี่ยบางทีก็ต้องอาศัยอ่ามันก็ต้องมีความทุกข์บ้างเรื่องทุ ด, ดงควัตน์นี่มันก็เป็นการฝึกนะไม่ใช่เป็นเป้าหมายในตัวมันเองทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ถึงเรียกว่าเป็นวัดนะไม่ใช่เป็นวิณัยรือสิกขาบทวัดนี่แปลว่าทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่จําเป็นต้อง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 อันนี้ถือว่าเป็นการฝึกนะทํำชั่วคราวเป็นการปฏิบัติเพียงแค่ชั่วคราวเพื่อฝึกฝนหรือเดินธรรมยถาตาเนี่ยเดินกลางแดดเนี่ยนะเดินกลางแดดหรือว่าให้ถอดรองเท้าเดินตรงกลมบางทีก็เดินเหยียบกรวดเกียจเหยียบเหยียบพินเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เป็นการทรมานตนนะมันเป็นเพียงแค่การฝึกเพื่อเราเรียนรู้ว่าเราจะอยู่ปุทุกข เ, เวทนาได้อย่างไรโดยใจไม่ทุกข์ เมื่อใจเราพัฒนาแล้วนะเออไม่ทําก็ได้นะมันเป็นแค่การบ้านเป็นแค่แบบฝึกหัดไอ้ข้อนีสขคอเพียงแค่ข้อนี้ก็สําคัญนะเพราะว่าผู้คนจำนวนมากเนี่ยสร้างความทุกข์แก่ตัวเองโดยไม่รู้ตัวหรือเอาทุกข์มาทับถมตนทั้งทุกข์กายแล้วก็ทุกข์ใจโดยเฉพาะทุกข์ใจนี่เป็นกันมากนะอย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยนะ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 ผู้เจ้าหรือพุทธศาสนานี้ไม่ปฏิเสธความสุขนะความสุขความสบายเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่ชอบทำแล้วก็อย่าปฏิเสธมีเงินก็ต้องใ ช, มงงใช้มีเงินก็ต้องใช้เลี้ยงตัวมีเงินแล้วไม่ไม่ใช้นะอยู่อย่างประนิอยู่อย่างตนหนีอยู่อย่างลำบากนะด้วยความตนหนีอยู่อย่างอัตคัดขัดสนนี่ผู้เจ้าก็ก็ต่อว่านะ ในสา ว, วักาลนี่มีเศรษฐีคนหนึ่งที่รวยมากแต่ว่าตันหนีทีเหนียวมากกินข้าวกินข้าวหักเสื้อผ้ากระปุกป่านะมันเกินจะมันไปมากกว่าความประหยัดล่ะแต่ว่าเป็นความตันหนีทีเหนียวเพราะเสียดายเงินนะแทนที่ว่าเราจะเป็นนายเงินนะเงินกลับมาเป็นนายเราและไม่กลาใช้กลัวนะถ้าเงินหายถ้าเงินใช้ไปแค่บาทสองบาทนี้เป็นทุกขนะ์ละ นี่แสดงว่ามันเป็นนายเรานะเราไม่ใช่เป็นนายมันไอชาวพุทธนี่เราไม่ละทิ้งหรือปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยชอบธรรมนะครูเจ้ายังเคยตัดเลยนะว่าต้องรู้จักหาความสบายนะพอความสบายนี้มันเป็นหนึ่งในห้าประการของการมีอายุที่ยืนนานอายุวัฒนกถาคือคําสอนเรื่องการมีอายุยืนเนี่ย ก็มีข้อหนึงคือว่าให้รู้จักหาความสบายนะความสบายเช่นกินอาหารที่มันย่อยง่ายอยู่ในบ้านที่มันช่วยได้พักผ่อนพอเพียงแต่พระพุทธเจ้าก็ตัดต่อไปว่าให้รู้จักประมาณในความสบายอย่าสบายเกินไปนะถ้าสบายเกินไปนี่เป็นเรื่องนะคนสมัยนี้สบายเกินไปก็เลยเป็นโรคหัวใจเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคอะไรต่ออะไรมากมาย เด็กนี่ไม่ไม่รู้จักออกกําลังกายนั่งอย่างเดียวอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ผู้ใหญ่ก็นั่งทํางานอยู่แต่ในห้องแอร์นะมันสบายเกินไปนะพอทอํามีซักหปีสิปียี่ิปีนี้ร่างกายมันก็แย่เดีย๋ยวนี้สํานัก ง, งานหลายแห่งนี่เขาให้ยืนทํางานให้ยืนทํางานเพราะการยืนนี่มันช่วยออกกําลังกายได้แล้วก็มีหลายคนนะ เขายืนทำงานแล้วเขาพบ ว, ว่าสมองแหลนอย่างมีเขาเล่ากันว่าเรยอนารโดดาวินชีเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ฉลาดปาดเปลืองมากเนี่ยท่านในทางศิลปะวิทยาศาสนี่เวลาจะวาดรูปนี่ก็ยืนวาดรูปนะเพราะตอนการยืนนี่มันทำให้ได้ออกกำลังกายไปด้วยสมองก็แล่นอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาที่มีที่มีมานานนะสมัยนี้ก็เริ่มกลับมาละ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 นอกจากจะไม่ทิ้งความสุขที่ชอบทาแล้วนะก็อย่าสยบมัวเมาในความสุขนั้นนะก็คือให้รู้ประมาณในความสุขในความสบายนั่นเองถ้าสบายแล้วเพลินในความสบายเช่นเพลินในการนอนเพลินในการกินหรือว่าพอสบายแล้วไม่ไม่ทำอะไรละนั่งเล่นนอนเล่นอันนี้ไม่ถูกนะต้องให้รู้จักประมาณในความสบายหรือว่า ไม่เสียบมัวเมาในความสุขแม้เป็นความสุขที่ชอบทำก็อย่าเสียบมัวเมานะอันนี้ถ้าทํานังแสดงว่าเราเป็นทาตของมันแล้วมันมีเส้นแบ่งนะพุทธศาสนาที่เป็นทางสายกลางเน้นทางสายกลางมากก็คือว่าไม่หาทุกข์มาทับถมตนแต่ขณะเดียวกันก็ไม่เพลิดเพลินในความสุขในความสบายนะรู้จักความพอดีนะ ความสุขที่ชอบทำก็ไม่ปฏิเสธแต่ต้องมีความพอดีดันั้นจะเห็นได้วุทธ ศ, ศาสนานี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สารางเสริญความยากจนนะแต่เห็นว่า ก, การอยู่แบบเรียบง่ายเนี่ยมันเป็นของดนะีที่จะช่วยทำให้ไม่เป็นภาระแก่จิตใจแล้วก็ไม่ไม่เป็นภาระกับตัวเองเพราะว่าถ้ามีของเยอะนะ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 พอพ้นจากความเกิดไปได้นี่ความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นอันว่าไม่เกิดขึ้นอันนี้เป็นขั้นสุดท้ายนะทีะ่ชาวพุทธควรจะใส่ใจเพียงปฏิบัติเพื่อทําให้ความทุกข์หมดสิ้นไปใอ้ความทุกข์ที่ว่านี่ไม่ใช่ทุกข์กายเพราะว่าตั้งแตที่ยังมีกายอยู่มันก็ยังต้องมีทุกข์นะมันยังต้องเข้าห้องน้ําต้องทับถ่ายต้องรู้จักปวดรู้จักเมื่อยแล้ว ต้องเจอความเจ็บป่วยและความแก่ชราแต่ความทุกข์ใจนี่สามารถจะกัดขดจัดไปให้สิ้นได้หรือว่าถ้ายังทําขนาดนั้นไม่ได้ก็ต้องเพียรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปความสุขที่ประณีตคือความสุขทางใจนะไม่ใช่ความสุขกับวัตถุบันไดสีขั้นนีนะ่จำเป็นนะที่เราจะเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติให้ได้ คือหนึ่งไม่เอาความทุกข์มาทับถมตน2ไม่ปฏิเสธความสุขที่ชอบทำแล้วก็3ไม่เสียบมัวเมาในความสุขที่ชอบทำนั้นข้อที่4ี่นะนะเปลี่ยนปฏิบัติเพื่อทําความทุกข์ให้สิ้นไปหรือเปลี่ยนปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่ประณีตทั้งหมดนี้เราจะเข้าใจเราจะทําได้นี่ก็ต้องเข้าใจเรื่องความทุกข์นะ อย่างที่ได้สาธิยามอย่างที่เราได้สวดไสยทยามาทุกวันทุกวันทุกวันทุกเช้าเนี่ยก็เพื่อเราจะได้อรู้จักทุกให้ดีแล้วเมื่อเรารู้จักทุกดีแล้วเนี่ยการที่จะออกจากทุกเข้าถึงความสุขมันก็เป็นไปได้อชาช่ายนี้ก็พูดกันเท่านี้นะกรับครับ